สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในตอนที่สี่สิบหกนะครับของชีวิตพระเยซูโดยที่มีตอนย่อยก็คือหญิงชาวสมาเรียตอนที่สองครับวันนี้เราจะโฟกัสในเรื่องของการนับเวลาของคนคิวพี่น้องครับผมขออนญุญาตทบทวนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ในข้อที่สี่นะครับผมได้เรียนให้ทุกท่านทราบคําว่าจําเป็นต้องหรือจําต้องนั้นในภาษากรีกแปลว่าเบื้องบนบัญชาพี่น้องครับ พระประสงค์ของพระเจ้าให้พระเยซูผ่านข้าบุปสรรด้านเชื้อชาติเยี่ยมเยียนชาวสมาเรียพูดถูกรังเกียจเดียดฉันนี่คือเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นการบัญชาจากเบื้องบนชีวิตของเราก็เช่นกันนะครับเราจําเป็นที่จะต้องทําอะไรบางอย่างเพราะเป็นการบัญชาจากเบื้องบนหลายๆครั้งทีเดียวนะครับเราไม่ได้มีความรู้สึกเช่นนี้และเรามีความ มีความเออ่จําเป็นที่จะต้องทําครับมีความจาเป็นมากที่ต้องทําเพราะเป็นการบัญชาจากเบื้องบนเป็นการทรงนําของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องครับการบัญชาจากเบื้องบนอาจจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของการที่เราจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างทนบางสิ่งบางอย่างหรือแม้กระทั่งทําให้สําเร็จในบางสิ่งบางอย่าง บางครั้งอาจจะเกิดความท้อใจนะครับบางครั้งอาจจะเกิดความเจ็บปวดเดจ็บใจหรือต้องทนทุกข์ลำบากแต่ขอให้พวกเราที่จะเข้าใจและเชื่อมันว่านี่คือการบรรชาจากเพิงบนในวันนี้นะครับสิ่งที่เป็นโฟกัสหรือจุดเน้นของเราที่เราจะดูนะครับก็คือเรื่องของเวลาเวลาของคนยิวนะครับกับเวลาของคนโรมันไม่เหมือนกันครับ เวลาของคนยูนี้เขานับชั่วโมงแรกนะครับชั่วโมงแรกก็เหมือนกับคนไทยครับก็คือหนึ่งโมงเช้านะครับก็คือช่วงเจ็ดนาฬิกานะครับพอชั่วโมงที่สองก็ถือว่าเป็นสองโมงเช้าชั่วโมงที่สามนะครับก็ถือว่าเป็นสามโมงเช้าสาโมงเช้าเท่ากับเก้านาฬิกานะครับพอชั่วโมงที่สี่ก็คือ สิบโมงเช้าช e ั anger, um ่วโมงที <zer ch |ar|> ่ห้าคือสิบเอ็ดโมงชั่วโมงที่หกก็คือเที่ยงพระเยซูได้พบกับหญิงชาวสมาเรียตอนชั่วโมงที่หกนะครับหมายถึงตอนเที่ยงและชั่วโมงที่เจ็ดก็คือบ่ายโมงชั่วโมงที่แปดคือบ่ายสองโมงชั่วโมงที่เก้าบ่สามโมงชั่วโมงที่สิบก็คือสี่โมงชั่วโมงที่สิบเอ็ดก็คือห้าโมงเย็นและชั่วโมงที่สิบสอง ก็คือหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นถึงดวงอาทิตย์ตกพี่น้องครับการนับเวลาของคนยูนะครับก็เข้าใจง่ายๆในความหมายงงงไทยนะครับเท่าว่บสามโมงเช้าก็คือเก้านากาครับทีนี้เรากลับมาดูนะครับว่าการนับเวลาของพวกเราในทุกวันนี้นะครับหกนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกาเก้านาฬิกาสิบนากาอันนี้เป็นการนับเวลาเหมือนกับ ชาวโรมครับหรือพวกโร ม, มันนั่นเองในทุกวันนี้นะครับเวลาสากลอย่างเช่นแปดนะครับ AM นะครับก็คือแปดนาฬิกานะถือว่าเป็นการนับเวลาแบบคนโรมครับแต่คนนับเวลาการนับเวลาแบบคนยิวนั้นก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือพอช่วง first hour หรือว่าชั่วโมงแรกครับก็คือช่วงเจ็ดโมงเช้านะครับ หรือคนยิวอาจจะบอกว่าตั้งแต่รุ่งสางนะครับรุ่งสางจนกระทั่งถึงตอโมงที่สองครับหรือชั่วโมงที่สองก็คือแปดโมงนั่นเองนะครับและนี่คือการนับเวลาของคนยิวครับพี่น้องครับในประเพณีทางศาสนาของคนยิวนะครับเาเรียกว่า Religious Ritual ได้ใช้เวลาต่างๆนี่นะเป็นตัวแบ่งนะครับในการ นมำสการ d พระเจ้าประจำวันนะครับการถวายบูชาประจำวันซึ่งเรลียกว่าเป็นเครื่องบูชาเนืองนิดนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในกันดาวิธีบทที่ยี่สิบแปดนะครับข้อที่สามข้อที่หกเนี่ยนะครับจะมีคําว่าเครื่องบูชาเครื่องบูชาเนืองนิดหมายความว่าเป็นการถวายบูชาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันตลอดไปนะครับซึ่งบันทึกไว้เป็นกฎเกณฑ์กฎปัญญัติของโมเสสนะครับในพระธรรมกันดาวิธียี่บแปด ทุกๆวันนะครับชาวยูวจะต้องหรือพวกปุโรหิตนะครับจะต้องเตรียมแกะสองตัวครับวันหนึ่งนะครับจะต้องถวายบูชาแกะสองตัวซึ่งจัดว่าเป็นประเภทเครื่องบูชาหนึ่งนิดหรือการถวายบูชาประจำวันนั่นเองใน first hour นะครับหรือชั่วโมงแรกของวันนะครับก็คือก่อนนะครับก่อนแปดนาิกาก็คืออยู่ในระหว่างช่วงเจ็ดนกานะครับก็คือโมงเช้าของบ้านเรานี่แหละครับปุโรหิต จะต้องเตรียมแกะตัวหนึ่งครับนะฮะการเตรียมแกะตัวเนี้นะครับก็คือให้แกะเนี่ยดื่มดื่มเครื่องบูชานะครับก็คือดื่มน้ํำจะทําให้แกะนี้เนักวิชาการบางท่านบอกว่าจะทําให้แกะเนี่ยอยู่ในความสงบนะครับการดื่มนะครับเครื่องบูชาประจำวันนะครับให้แกะให้แกะดื่มน้ํานะครับให้ดื่มน้ํำผสมนะครับตรงนี้ ก็เป็นการเตรมครับเขาจะเตรียมกันในช่วงโมกเช้านะครับพอสามโมงเช้านะครับก็คือเป็นชั่วโมงที่สามนะครับแกะตัวเนี้ก็เรียกว่าแกะทามิดนะครับภาษายูเรียทามิสภาษาอังกฤษเรียกว่าทามิสแรมนะครับจะต้องถูกฆ่าและสวายบูชาพอชั่วโมงที่หกนะครับแกะตัวที่สองก็จะถูกนําออกมาแล้วผูนะครับตอนเที่ยงครับก็คือชั่วโมงที่หก และในชั่วงโมงที่9นะครับแกะตัวที่สองหรือแกะแถวมิดตัวที่สองเนี่ยจะถูกค่าเหมือนกันพี่น้องครับในช่วงชั่วงโมงแรกนะครับก็คือการเตรียมในช่วงที่ชั่วโมงที่ที่3ครับแกะแถวมิดก็จะถูกค่าพอในช่วงชั่วงโมงที่6นะครับก็จะมีการเตรียมแกะตัวที่สองพอชั่วงโมงที่9ก็ถูกค่านะครับ พูดง่ายๆใช้เวลาของโรมในสมัยนี้นะครับก็คือใน first hour หรือชั่วโมงแรกก็ตรงกับตอนช่วงเจ็ดโมงเช้านะครับเตรียมแกะพอเก้าโมงถวายบูชาแกะตัวที่หนึ่งพอตอนเที่ยงก็เตรียมแกะตัวที่สองพอบ่ายสามโมงเย็นก็ฆ่าแล้วก็เผาบูชาเครื่องแกะตัวที่สามนะครับเครื่องบูชาอันนี้เป็นการถวายบูชาเครื่องบูชาเนืองนิดเป็นการถวายบูชาประจําวันครับ เรามาดูครับเวลาในตอนกลางคืนบ้างคนยิวนะครับก็รับเอาการนับเวลาแบบโรมนะครับโดยแบ่งเป็นสี่ยามด้วยกันในกองคืนนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงดวนทิตตกนั้นถึงสามทุ่มนะครับก็เรียกว่ายามหนึ่งหรือยามแรกหลังจากสามทุ่มนะครับก็นับไปจนกรทั้งถึงเที่ยงคืนก็จะเป็นยามที่สองนะครับจากเที่ยงคืนมาเป็นมาถึงปีสามก็คือยามที่สาม และจากตีสามนะครับจนทั้งถึงดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับก็คือยามที่สี่นะครับนี่คือการนับเวลาของคนยิวในสมัยศัตรูแทกก็คือสมัยของเประเยนย์นั่นเองพี่น้องครับคนยิวนั้นเริ่มต้นนับวันใหม่นะครับนับวันใหม่นะครับตั้งแต่หกโมงเย็นนะครับดวงอาทิตย์ตกปุ๊บนะครับก็หกโมงเย็นเขาก็เริ่มนับเป็นวันใหม่การนับแบบนี้นะครับเรียนแบบมา จากปฐมมกานบทที่หนึ่งครับบทที่หนึ่งนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกเจ็ดวันนะครับพีะบิดาบอกว่ามีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สองมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สามมีเวลาเย็นเขานับเย็นนะครับเป็นการเริ่มต้นของวันก่อนนะครับนี่คือการนับเวลาของคนยิวทําให้เราเข้าใจพระบิดมากยิ่งขึ้นนะครับขอพระเจ้าทรงช่วยพี่น้องทุกท่าน ในขณะที่เรารู้ว่าพระเยซูนั้นจำเป็นต้องคือรับการบัญชาจากเบื้องบนทำให้บางสิ่งบางอย่างเกิดที่ขึ้นที่แคว้นจัมเรียในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันต่อไปอาเมน